ซึ่งพระจะมาประมาณ6นาฬิกาจากนั้นยายกับหลานก็ลงไปช่วยกันพลวนดินทางหญ้าและเก็บพืชผักผลไม้ในสวนเพื่อนาไปขายในตลาดเมื่อจัดเรียงสินค้าลงในสาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงพากันกินข้าวเช้าเสร็จแล้วหลานชายเตรียมตัวไปโรงเรียนส่วนยายหาของไปขายยังตลาดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าใดนัก หากวันใดผลิตผลมีมากจนยายหาบคนเดียวไม่ไหวหลานชายก็จะแบ่งใส่สแสระกคู่หนึ่งหาไปส่งยายถึงตลาดแล้วจึงจะไปโรงเรียนเมื่อขายของหมดยายก็จะหาบสะระกเปล่าสองคู่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นยายตื่นนอนแล้วก็เดินไปปลูกหลานชายซึ่งนอนอยู่อีกห้องหนึ่งไอ้หนู ลุกขึ้นไปก่อไฟตั้งหม้อข้าวได้แล้วประเดี๋ยวจะไม่ทันใส่บาดเองนี่ไม่ไว้เลยต้องให้ยายปลุกทุกวันเด็กอะไรขี้เกียจตัวเป็นขนไม่เรียกก็ไม่ลุกไม่ปลุกก็ไม่ตื่นยายปลุกพลางบ่นพลางเด็กชายต้องฟังยายบ่นซ้ำๆซากๆอย่างนี้ทุกวันเมื่อไรยายจะสรรหาคำใหม่ๆ ที่ทันสมัยกว่านี้มาบนนะเขาจะได้ไม่เบื่อจะลุกหรือไม่ลุกถ้าไม่ลุกยายเหยียบนะเอ้าคนอายุแปดสิบู่เมื่อเห็นคนอายุส2บสองยังนอนเฉยทําเป็นทองไม่รู้ร้อนำคำขู่ของยายคงจะไร้ผลเพราะหลานยังไม่ยอมขยับขยื่นอยากลองดีหรือไงว่าแล้วยายก็ขึ้นเหยียบ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 ได้แม่เรียวแล้วยายก็เข้ามาในห้องหลานอีกครั้งดึงผ้าห่มออกแล้วตีไม่นับหลานชายกระโดดเยงรีบวิ่งไปที่ครัวก่อไฟตั้งหม้อข้าวไฟยังไม่ทันจะติดดีเขาจึงจับดุนฟืนใส่เข้าไปในเตาอีกความ ง, ง่วงทำให้นั่งหลับสับสงกอยู่หน้าเตาไฟ ทั้งที่มือยังจับดุนเฟินอยู่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปยายสวดมนต์ภาวนาเสร็จจึงออกมาดูหลานโดยไม่ได้ยินเสียงโรกน้ำพลิกเหมือนเช่นเคยเห็นหลานนั่งสงกอยู่หน้าเตาไฟยายไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงเข้าตบสองฉาดใหญ่ๆหน้าของคนถูกตบหันไปซ้ายที ทางขวาทีเป็นไงตาสว่างหรือยังตบเขาแล้วอย่ายังยอะเยย์สิอีกสว่างโร่เลยครับโอ้โหหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเลยเด็กผมแกะพูดพรางใช้มือลูบครลมแก้มทั้งสองข้างครั้นเห็นไฟยังไม่ติดจิงยกหม้อข้าวลงจัดการหาคิดใต้ไม่ขีดมาก่อไฟอีกครั้ง เดี๋ยวได้ข้าวไม่ทันใส่บาดรหรอกยายกังวลทันสิยายเอาละไฟติดแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งให้แรงกว่านี้รับรองว่าทันพระแน่แนเป็นอันว่าเชา้านี้ยายก็ได้ใส่บาดเช่นทุกวันแม้ว่าข้าวจะดิบดิบแฉะแะเพราะฝีมือของหลานชายคนโปรด วันนี้เองไม่ต้องลงไปทํางานในสวนกับยายก็ได้ประเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ทันยายบอกอย่างหวังดีด้วยเกรงว่าหลานจะไปสายใครเขาเรียนหนังสือกันวันโกนวันพระแล้วครับยายคนเป็นหลานทวงจริงของเองวันนี้เป็นวันโกนนี่นะงั้นกินข้าวเช้าแล้วเราไปตลาดกัน ขายหมดแล้วจะได้ซื้อของมาเตรียมทำบุญพรุ่งนี้ตกลงครับถ้าอย่างนั้นตอนที่ยายไปทำงานในสวนผมขออนุญาตนอนต่อนะครับนอนยังไม่อิ่มไม่ได้ยายไม่อนุญาตเพราะไม่อยากปลูกฝังให้เองเป็นคนเกียบคร้านโบราณท่านสอนว่าอย่านอนตื่นสาย อย่าอายทํากินอย่ามิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาเองจําไว้ยายคงเป็นคนโบราณมาเกิดนะครับเพราะอะไรอะไรก็อ้างโบราณอยู่เรื่อยเด็กชายสับพยอกนี่เองอย่าพายายออกนอกเรื่องเราเร็วเข้าไปช่วยกันทํางานประเดี๋ยวก่อนไปตลาดช่วยแช่ถั่วเขียวให้ยายสองลิตร บายบายจะได้ไปช่วยกันทำขนมวันนี้ทำขนมกงกับเม็ดขนุนสองอย่างก็พอส่วนพวกผลไม้เดี๋ยวไปตัดกล้วยในสวนมาสักเครือในหนาก็มีพอให้เก็บส่วนละมุดที่ยายบ่มไว้เมื่อสองคืนก่อนพรุ่งนี้ก็สุกพอดีเป็นอันว่าพวกผลไม้เราไม่ต้องไปซื้อเขา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 ประเดี๋ยวจะสายยายพูดตัดบทแล้วก็ลงเรือนไปก่อนผมขอล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับแล้วจะตามไปแต่ไม่ใช่แอบไปนอนเส้นนะถ้าทำอย่างนั้นยายจะเครียดหลังลายจริงๆด้วยไม่หรอกครับผมไม่ชอบถูกยายเครียดบ่อยๆไม่สนุกเลยสักนิดนานๆครั้งยังพอว่า เพราะมันทำให้มีชีวิตมีรสชาติขึ้นเด็กผมแก่พูดเป็นต่อยหอยตอนบ่ายของขายหมดแล้วยายจึงซื้อมะพร้าวน้ำตาลปีบน้ำตาลใสขาวไข่ไก่และน้ำมันถั่วกลับบ้านเพื่อมาทำขนมอะไรที่ทำเองไม่ได้จึงจะซื้อเขา้าอย่างเช่นมะพร้าว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 หลานชายชวนยายตอบทันทีว่าไม่ดีหรอกหลานเรื่องอะไรจะต้องไปเสียเงินซื้อเข้ากินชามละตั้งห้าสตางค์สองชามก็สิบสตางค์เสียดายเงินอะไรที่ต้องเสียเงินยายจะว่าไม่ดีไว้ก่อนงั้นกินคนละครึ่งชามก็ได้ยายกินเนื้อส่วนผมกินน้ํา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 นั้นกินข้าวแกงก็ได้นะครับผมหิวแค่จานละสามสตางค์เองข้าวบ้านเรามีทำไมต้องไปซื้อเขากินให้เสียสตางค์ยายไม่เห็นด้วยตามเคยกว่าจะถึงบ้านผมอาจหิวตายก่อนก็ได้ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมยายถึงขี้เหนียวอย่างนี้สงสัยเวลายายเข้าส่วมต้องถือกันไกลเข้าไปด้วยล้านชายว่า จะถือเข้าไปทำไมยายถามงงๆอะก็เอาไปตัดขี้ยายนะสิคนขี้เหนียวอย่างยายต้องใช้ตะ ก, กรไยตัดไอ้หนูยายเน้นเสียงพรางกัดฟันกรอดๆนี่ยายไว้หน้าเองนะไม่ตีเองกลางตลาดอย่ามวัวพูดมากกลับบ้านกันได้แล้ว ป่านนี้นางด่างนางดำพากันหิวข้าวแย่แล้วเพราะเมื่อเช้ายายลืมเอาข้าวให้มันกินที่หม้ายายยังห่วงมันส่วนผมเป็นคนแท้ๆแล้วก็เป็นหลานยายกลับไม่ห่วงถ้าผมเกิดหิวจนเป็นลมตายกลางทางยายอย่ามาร้องไห้ก็แล้วกันคนอะไรใจหินเด็กผมแกะต่อว่าต่อขาน หมาหรือคนยายก็รักเท่ากันนั่นแหละยายไม่ใช่คนลำเอียงเองอยู่กับยายมาตั้งนานน่าจะรู้นิสัยยายดีทั้งหมาทั้งเองก็ทำประโยชน์ให้กับยายพอๆกันหมามันเฝ้าบ้านส่วนเองหุงข้าวให้ยายกินทุกวันแม้ยายนี่ผมรับใช้ยายมาตั้งห้าหกปีมีความดีเท่ากับหมาเองหรือ หลานชายเริ่มโกรธคนกำลังหิวมาโกรธง่ายอยู่แล้วเอาละเอาละถ้าเช่นนั้นยายให้เองดีกว่าหมาหน่อยนึงยังไงยังไงหมามันก็ไม่ได้เป็นหลานยายหุงข้าวให้ยายกินก็ไม่ได้ยายพยายามพูดเอาใจเมื่อเห็นหลานโกรธเด็กชายจเจริญรู้แน่ว่ายายคงไม่ใจอ่อนยอมให้กินข้าวแกงหรือกว๋วยเตี๋ยว จึงรีบสาวเท้าเพื่อให้ถึงบ้านเร็วๆเขาไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดยายจึงตรหนีเหนียวแน่นถึงปานนี้คิดๆไปก็สงสารยายคงไม่รู้หรอกว่าเงินกลมที่ยายสะสมไว้ในกระบอกไม้ไผ่เป็นร้อยๆก้อนนั้นถูกเขาขโมยไปขายทุกวันพระขายเอาเงินไปเล่นถอยกองกับเพื่อนแล้วก็เล่นแพ้ได้ทุกครั้ง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 ถ้าถึงบ้านเด็กชายจัดการเอาข้าวลงไปให้นางด่างกับนางดาก่อนแล้วจึงหาข้าวสู่ยายกินยายรู้สึกแปลกใจที่หลานดีเกินคาดหากก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะยายเองก็หิวไม่แพ้กันอิ่มข้าวแล้วหลานชายจึงขออนุญาตยายครับผมของีบสักพักนะครับตื่นขึ้นมาจะได้ช่วยยายทาขนม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 ดูเหมือนยายชอบจะขัดใจเขาเสียทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกินกับนอนเอาละเอาละไม่ต้องพูดมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแทนที่เองจะนอนเอาเวลาไปอ่านหนังสือจะดีกว่าป .4 แล้วนะไม่เห็นอ่านหนังสือนังหาบ้างเลยปีหน้าก็จะขึ้นมัธยมแล้วยายใช้งานยังกับผมเป็นทาสและจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือล่ะ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 ก็นึกว่าลูกหลานของตนไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่จะขึ้นมัธยมเลยแค่ป .4 จะสอบผ่านหรือเปล่าก็ยังเป็นปัญหาเองอย่าพูดอย่างนั้นไอ้หนูอย่าใส่ร้ายป้ายสียายถึงปานนั้นถ้าเองรักเรียนจริงๆกลางคืนเองก็อ่านหนังสือได้นี่เองเล่นนอนหัวค่ำทุกวัน ขนาดยายไม่เด้เรียนหนังสื อ, อยังนอนดึกกว่าเองก็ผมยังเด็กกำลังกินกำลังนอนยายจะให้เหมือนคนอายุแปดสิบได้ยังไงหลานชายเถียงไม่ลดละเอาละยายไม่เปรียบกับคนอายุแปดสิบก็ได้เอาอายุสิบสองเท่าเองเนี่ยเจ้าบุญชูหลานชายยายบุญช่วยนันปะไรเขาอายุเท่าเอง เรียนชั้นเดียวกับเองมียายอายุเท่ากับยายของเองไม่หนำซ้ำยายเขาก็ตาบอดเขาต้องปรนิบัติยายทุกอย่างลําบากลําบนกว่าเองหลายเท่านักแต่ทําไมเขาเรียนเก่งแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งทุกปีเมื่อยายพูดมาอย่างนี้เด็กชายผมแกะ ก, ก็เถียงไม่ออก จึงเปลี่ยนเรื่องพูดเสทันใดยายครับผมว่าเรามาช่วยกันทําขนมดีกว่ายายจัดการนึ่งถั่วเขียวส่วนผมจะปอกมะพร้าวและขูดให้ยายนะครับเถียงไม่ขึ้นแล้วใช่ไหม ย, ยายค้อนให้หนึ่งวงแล้วก็ลุกออกไปทำงานตามที่หลานมอบหมายยายนึ่งถั่วเขียวเสร็จจึงนำไปโคลกให้ละเอียด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 เมื่อหลานชายเร่งไฟจนติดดีแล้วยายจึงนำกระทะขึ้นตั้งเทน้มันบัวลงไปค้อนกระทะเมื่อน้ามันร้อนจึงเอาขนมกงที่ปั้นเป็นรูปธรรมจักรชุบแป้งข้าวเจ้าที่ตีกับไข่ขาวนำลงทอดจนเหลืองแล้วก็ตักขึ้นทอดขนมกงเสร็จแล้วยายนำกระทะทองเหลืองขึ้นตั้งไฟเพื่อเคี่ยวน้ำเชื่อม เมื่อน้ำตาลทรายขาวละลายจึงยกลงทิ้งไว้ให้เย็นแล้วจึงกรองด้วยผ้าขาวบางเอาพวกฝุ่นผงที่ติดมากับน้ำตาลออกไปไอ้หนูต่อยไข่ห้าฟองใส่กระมังมาให้ยายเอาไข่แดงที่เหลือเมื่ อ, อกี้เนี่ยปนลงไปด้วยตีให้ขึ้นฟองนะยายสัง่ง ซึ่งหลานชายก็ทำตามอย่างชำนิชำนาญเพราะเคยช่วยยายมาตั้งแต่ 6-7 เจดขวบเม็ดขนุนชุดแรกที่ตักออกมาจากกระทะทองเหลืองถูกนำมาเรียงลงในถาดเงินสีของมันเหลืองอาร่ามราวกับทองคำแล้วก็น่ากินสซอจนเด็กชายอดใจไม่ไหวพอยายเผลอจึงหยิบเข้าปากไปสองเม็ดทั้งที่ยังร้อนๆไอ้หนู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 เปรตเป็นยังไงเหรอยายตัวสูงเท่าต้นตาลปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลานยายบอกลักษณะของเปรตตามที่ได้รับฟังมาจากปู่ย่าตาทวดถ้างั้นก็ดีนะสิจะได้ไม่ต้องสอยมะม่วงมาปรางตัวสูงขนาดนั้นก็ปลิดจากต้นได้เลยแล้วมือใหญ่ๆก็จะได้ไม่ต้องใช้กระบุงใส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 แล้วก็ปราเค็มป่นคลุกน้ำตาลทรายสมพานท่านชอบยายอ้างสมพานแท้จริงยายก็ชอบด้วยเหมือนกันค่ำวันนั้นยายกับหลานช่วยกันจัดเรียงข้าวของลงในสาแรกมีทั้งของติด ก, กันเทศและของใช้ของยาย ซึ่งได้แก่ภาพผ่อนทอนสบายด้วยว่าต้องไปอยู่วัดถึงสองคืนสามวันส่วนเรื่องหมากพลูนั้นตัดออกไปได้เพราะยายเลิกกินหมากมาได้สามปีเข้านี่แล้วไอ้หนูเองไปขุดดินมาก้อนหนึ่งเตรียมไว้ซตั้งแต่คืนนี้เลยเพราะพรุ่งนี้จะต้องจากบ้านก่อนตีห้าพระท่านเริ่มเทศคาถาพันเวลาห้านาฬิกาตรง ยายออกคําสั่งไปวัดเทียวไรเขาจะต้องหาบของไปส่งยายซึ่งนอกจากจะมีข้าวของสำหรับถวายพระแล้วยังมีดินก้อนโตๆอีกก้อนหนึ่งยายอธิบายว่าหาบดินเข้าวัดนั้นได้กุศลแรงเพราะเวลาคนไปวัดกันมากๆก็จะเหยียบดินของวัดติดเท้ากลับบ้านทําให้ดินวัดพล่องไป จึงต้องนํามาคืนด้วยวิธีนี้ถือเป็นการใช้หนี้สมเหมือนกันถ้าเช่นนั้นผมหุงข้าวทํากับข้าวไว้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับพรุ่งนี้จะได้ไม่ยุ่งล้านชายเสนอด้วยไม่อยากลุกตอนเช้ามืดไม่ต้องลําบากถึงปานนั้นพรุ่งนี้ตีสีก็ทําทานเอาเถอะแล้วยายจะช่วย ยายไม่สวดมนต์ภาวนาหรือครับไม่เป็นไรยายต้องไปทาวัดเช้าวัดเย็นอยู่แล้วบุญอยู่ที่ใจจะไปทําที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นถ้าใจเป็นกุศลเองจำคํายายสอนหน้าไอ้หนูเอาบุญมาใส่ใจให้มากๆคนที่สะสมบุญไว้มากเมื่อถึงคราวดับขันบุญก็ช่วยได้ เพราะฉะนั้นช่วงที่ยายไปอยู่วัดห้ามเองไป ก, ก่อกรรมทำเข็นอย่างที่แล้วแล้วมาถ้ารู้ถึงหูยายเมื่อไรยายจะโยงเองไว้กับคือแล้วก็จะเคียนให้เลือดซิบซิบเลยจำเอาไว้เกิดเป็นคนต้องสร้างความดีไม่ใช่สร้างความเลวร้ายยายทั้งปลอบทั้งขู่ ครับครับมียายดุยังกับเสืออย่างเนี้ยผมจะไปสร้างความเลวร้ายได้ยังไงล้านชายผมแกล่ะว่าเอาละเดี๋ยวจัดเตรียมของเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างเข้านอนได้พรุ่งนี้ตีสีต้องตื่นยายสั่งแล้วก็ลุกออกไปห้องพระเพื่อสวดมนต์ภาวนาหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเวลาตีสี่สี่สิบ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 ไม่ลืมหรอกยายผมไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกรรมอะไรล้านชายตอบออกน้อยใจในคำพูดของยายเมื่อวันวานที่ว่ารักเท่ากับมา้าแต่จะว่าไปแล้วนั่งสองตัวเนี่ยมันก็น่ารักตรงที่ซื่อสัตย์และเสมอต้นเสมอปลายยายให้เฝ้าบ้านมันก็ไม่เคยหนีไปเล่นและที่สำคัญกว่านั้นก็คือ